จะสมุปปบาทปฏิจจะแปลว่าอาศัยกันอุปอปัตถุปฏิจจะสมุปปบาทอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแม่บทก็มีว่าอาวิจาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารอันนี้ต้องจํานะ สังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปท่องเป็นภาษาบาลีวิชารปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจะยวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปปัจจะยาสายตนัณงเอาให้ฮัตโกะเงาไปเิ็นไมายย้เงาออท่อง แนี้อาวิจาแปลว่าจิตโง่จิตโง่จิตโง่โงคือจิตไม่รู้ถามว่าไม่รู้อไร่อยไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุใดเกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกก็คือไม่รู้อริยสัจสี่ถ้ารู้อริยสัจสี่ก็รู้หมด หายโง่ถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ 4, ก็คือจิตโง่จิตอาวิชาทีนี้อวิชาจิตโง่เกิดมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชาปัจจัยาปัจจัยยาในแปลว่าปัจจัยอาวิชาปัจจยัยาสังขาราสังขาราก็คือสังขาร สังขารร่างกายจิตใจและรูปตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ quality, ้นสังขารทั้งนั้นสังขารทั hmm. ้งนั้นาวิจารเป็นปัจจัยทาให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทาให้เกิดวิญญาณไปเรื่อยเลยแล้ทีนี้เรามาดูปฏิจจามุปบาทในรูปแบบของอริยสัจสี่ หนึ่งอวิชชาสองเหตุเกิดของอวิชชาสามความดับของอวิชชาที่หนทางให้ถึงความดับของอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาคือความคิดความคิดจังการในความคิดกายสังขารวจีสังขาร มโนสังขารคิดในเรื่องทางกายคิดในเรื่องทางวาจาถ้ามัคิดก็พูดไม่ได้คิดแล้วก็ออกมาก็จีดสังขารมโนสังขารคิดแล้วไม่ได้ทำอะไรแต่ปรุงอยู่คิด่างใจนั่นเกิดเหตุเกิดของวิจา อวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชาหนทางให้ถึงความดับของอวิชชาอาริยสัจสี่แล้วนั่นแหละอริยสัจสี่แล้วทุกเอได้เกิดทุกอืก็คืออวิชชาคือตัวทุกเอได้เกิดทุกอืก็คือความคิด จ, จังการ มา ค, คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดแต่ก็พูดพูดแต่ก็ทําำทางการทางนั้นวิชาเหตุเกิดของอวิชาความดับของอวิชาอาริยมรรคแล้วอริยมรรคแล้วความดับของอวิชาก็คือต้องปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปดที่ถูกต้องนั่นก็ได้ สติปัญญามาเป็นเครื่องดับนิโรดนิโรดนิโร ด, น โ, รดนโรดอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชาหนทางให้ถึงความดับของอวิชชาหนทางก็คือหนทางอริยมรรต์ใองค์แปดพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมอาเราทํา ทำบทเรียนกันอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาคือสังขารความดับของอวิชชาผนทางหถึงความดับของอวิชชาคือควายทุกข์ดับค่ายดับทุกข์ควายทุกข์มีสองทุกข์ธรรมุทัยธรรมุทัยคือเหตุเหตุของความทุกข์ ทุกสมุทัยเทนี้นั่นคือขวามทุกนิโรธอริยมรรต์มันขวามดับทุกเข้าใจไหมไม่ได้ยินเสียง <Okay. S 1> อืมนี่บทแรกเป็นอย่างนี้อวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชาหนทางให้ถึงความดับของอวิชชาอาเทนี้ ตัวต่อไปจังการจังการเหตุเกิดของจังการความดับของจังการาเหตุเกิดของจังการความดับของจังการผลทางให้ถึงความดับของจังการอ้อามาทําให้เป็นอริยสัจสี่ทำยังไง สังขารเหตุเกิดของสังการความดับสังการโน่นจังห้ถึงความดับสังการตัวที่สองนี่มันต้องจำแม่บทถ้าไม่จำแม่บทจะทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ด้วยออตัวที่สามของพอตั้งให้วิญญาณ วิญญาณคือตัวความรู้สึกที่พูดทุกวันนะแล้วอะไรอีกเศตเกิดของวิญญาณคืออะไรว่าพร้อมๆกันคนเดียวไม่เอาหนึ่งสองสามดังๆหน่อยเดียวหลวงพ่อหูหนวก อ, อาวิชาสังขาราวิญญาณตัวที่สาม วิ ญ, ญญาณคือตัวความรู้สึกความรู้สึกทั้งหกทางนั่นแหละความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรูส้รสึกทางจ ม, มูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจวิญญาณวิญญาณมันต้องมีเหตุเกิดเหตุเกิดของวิญญาณคืออะไรดังดัง คนที่ไม่จำมาว่าดังนามรู ป, ม, ม, รปมีอะไรบ้างนามรูปนามรูปนามรูปย่อๆก็คือกายกับใจกายกับใจในตาละเอียดคนรูปก็คือกันหน้านั่นแหละเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณอืออตัวนี้ทีนี้เรามาทําถึงตัวว่าสังขารสังขารกายสังขารวจีตสังขารมโนสังขารเหตุเกิดของสังขารคืออะไรอสังขารเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรว อ, ไรอวิชชาเป็นตัวอะไร อาวิชาเป็นตัวอะไรอวิชาเป็นตัวตทุกข์เกิดอะไเกิดทุกข์เกิอะไรจังขารความดับทุกข์เกิ อ, อะไรงงงงงเกิดอะไเกิดทุกข์เกอะไรเกิมันจะมีเป็น ตอนแรกครับจะเป็นตัวทุกตัวทุกตัวทุกตัวทุกตัวทุกทั้งนั้นเลยแต่แล้วพอตัวที่สองเอได้เกิดทุกตัวถัดไปถัดไปในเฮได้เกิดทุกนี่คือกไอยอวิชาไอ้ไอ้เข้าใจอย่างนั้นคือกไอยาวิชาทีนี้พอกไอยาวิชาคือตัวความฉลาดกถัดไปก็เป็นอะไร ตัวนี้โรดแต่ก็าริยมรรคในองค์แปดเนี่ยสี่ตัวนี้แหละสี่ตัวนี้แหละให้เราเข้าใจสี่ตัวนี้แหละอ่ อ, อทีนี้ปรุ่งนี้เหตุผลเหตุผลตัวไหนตัวเหตุตัวไหนเป็นผลกวายทุกตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผลข่ายความดับตุกไปเขียนมาให้หลวงพ่อโยมจีทุกคนเลยไปเขียนมาให้หลวงพ่อไปทำสมัยก่อนก็เรียกว่าทำการบ้านมาให้หลวงพ่อพรุงนี้คือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอริยสัจสี่ ที่เป็นอริยสัจสี่นะเป็นยังไงนั่นแหละก็เรียกว่าทำรายงานเราไม่ต้องรายงานหรอกเอาจริงเลยตัวปฏิจจรรมโมพบาทแปลงมาเป็นอริยสัจสี่ดังนั้นก็สี่อย่างนี้สี่อย่างนี้จนจบเลยสิบเอ็ดสิบสองอาการน่ะจนจบเลย ที่แม่บทอะไปหาเวาเงในหนังสือนี่เราจะเข้าใจถิงพราะอย่างนั้นเราจะเข้าใจแต่พูดอย่างนี้ก็เหมือนติ้งทะเลเท่าไร่ก็ไม่เข้าใจก็เราไม่ได้ใช้ความคิดอันนี้ต้องใช้ความคิดด้วยแล้วก็มันไม่มีอะไรมากหรอกเหตุผลเหตุผล อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลควายดีคือควายทุกควายไม่ดีควายทุกกับควายดับทุกสองตัวสองตัวนะควายที่เป็นทุกกับควายที่ดับทุกทีนี้เมื่อก่อนเพราะมีพวกนักเลงต้องการที่จะ บรรทนพระพุทธเจ้าเขาไปถามว่าพระองค์จะจะรู้เรื่องอะไรตรงเขาตัดว่าเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์นี่ก็เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เรื่องความทุกข์ก็คือทั้งหมดเลยที่เรากล้าไปยึดมั่นถือมันเรื่องความดับทุกข์ก็ทั้งหมดเลยที่เราไม่กล้าไปยึดมั่นถือมันเนี่ยมีสองคำเท่านั it, yeah hmm. hm people, ้น ทีนี้พระราษฎิเมื่อสาลีบุตรที่ยังเป็นยังไม่ได้เป็นนักบวชเห็นพระราษฎร์ก็เลยถามว่าท่านมาจากไหนกลายเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรท่านก็บอกท่านท่านก็เลยต้องออกตั ว, พวเพราะเพิ่งบวชได้สามเดือนนี่แต่ท่านรู้แล้ว เขาเลยกล่าว่าเยธรรมมาเอตุปปภาวเตสังเอตุงตาตาคโตเตสังชาโยนิโรโตจ่าเอวังวาติมาสัมโนทำเหล่าดอยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตาตากุตระเทศแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเกิดท่านยังยังไม่ละเอียดพอแต่ว่าเอาต้นฉบับมาเลยท่านยกต้นฉบับมาเลย ทำเหล่าโดยมีเหตุเป็นแดนเกิดประตาตากตตระเหตแห่งทำนั้นนี่ควายทุกและความดับแห่งทำนั้นนี่ควายดับทุกนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทเต็มตัวแล้ววิชาปัจจายาสังการาสังการาปัจจายาวิญญาณังตัวหน้าเป็นตัวทุกขตัวถัดมาเฮ้ได้เกิดทุก แล้วก็ ท, กวทุกตัวทุกตัวทุกตัวทุกตัวอย่างนั้นจนถึงจาติจารามรณะโศกาผลิตเทวทุกขโทมนณะเต้าปายานั้นรวบเลยข้างหลังจาติไปข้างหลังนั้นรวบเลยนั้นคือตัวตัวที่เราจะต้องดับตัวดับ ทุกเป็นผลเหตุได้เกิดทุก<ม>เป็นเหตุนิโรดนิโรธเป็นอะไรือ<ม>พร้อมๆกันนิโรธเป็นผลอริยมรรคเป็นเหตุนั่นกวาดดับทุกเมืม่อนั้นจะไม่เข้าใจหรอกจะไม่เข้าใจเนี่ย พอตั้งขึ้นมาก็ตัวทุกข์ก่อนเพอะตัวที่สองก็เหตุได้เกิดทุกข์ตัวที่สามก็ความดับทุกข์ตัวที่สี่อุนตังให้ถึงความดับทุกข์ให้เราเข้าใจอริยมรรคไม่องแปดนี่ก็ผลของการปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแปด เ, เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ได้ปัญญาเรามาดับนิโรธ นั่นนิโรธแต่ถ้าเราดูกลางหน้าทุกจำูไทยนิโรธอริยมัคถ้าลงเรียงลงอย่างนี้ทุกจำูไทยตัวที่สอ ง, รรงความดับทุกนิโรธผลต่างไงแต่งความดับทุกอริยมัคถ้าเราเรียงอกมาอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไปอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนกัน เนี่ยเห็นไหมเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เข้าใจอริยสัจสี่แลวก็จัก1สชาติก็ไม่มีทางเลยให้เราเข้าใจเข้าใจอริยสัจสี่ถ้เราจะเข้าใจได้เราต้องปฏิบัติ ตามอริยมรรคไม่องแผดส่วนความทุกข์มีกันอยู่แล้วทุกคนเลยทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรลงหน้าพระหน้ามารต่างนั้นเลยความทุกข์เป็นตัวตั้งเหตุให้เกิดทุกข์ตัวรองทีนี้เพราะเหตุอะไรเกิดทุกข์อะไรเกิดทุกข์เนี่ยเป็นเหตุแต่ว่าทุกข์ทุกข์เป็นอะไรเป็นอะไรทุกข์ เป็นเหตุนะก็มันมีมีผลที่ตัวข้างหน้านะ่ะมันเป็นผลทุกกับนิโรธนะ่ะเป็นผลที่นี่เราคิดทำพูดเหตุที่มันก่อให้เกิดตัวทุกข์ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความโง่ก็ดีความหลงก็ดีเหตุนั่นคือเหตุที่นี่เราไม่รู้จักเหตุ พเราไม่รู้จักเหตุก็คิดคิดคิดคิดคิ ด, คดทำทำทำทำพูดพูดพูดพูดตามที่เราอยากตามที่กิเลสตัณหาอาวิชชามันอยากผลก็เลยออกมาเป็นทุกข์นี่ผลออกมาเป็นทุกข์ทีนี้พอเราทำเหตุดีปฏิบตัตมิมรรมยมักไมีองแฝดสมาธิดีถึงสมาสมาธิ พรก็ออกมาเป็นนิโรธสำหรับที่จะเอาไปดับดับที่ตรงไหนเนี่ยดับไม่ถูกตัวอีกอะดับที่ตัวเหตุของความทุกข์ดับที่ตัวเหตุมันเหตุมันเหตุของความทุกข์พอดับที่ตัวเหตุความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ต้องดับที่ตัวเหตุมันพอเราได้นิโรธมาแล้วอนนิโรธตัวดับนี่ ไปดับที่ตัวเหตุของการเกิดทุกข์ควยไหมสาลาหลังนี้เราไปดับที่ปลายอยแต่มันลุกโปรงโปรงโปรงโรงมันไม่ดับหรอกแต่เพราะนี่มันอยู่ตรงไหนเชื่อมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไม้อยู่ที่อะไรเราก็ดับที่เหตุมันฉะนั้นเพราะเราไม่รู้จากเหตุ เราก็ไปเลยเดี่ยวหาหมดหาหมอหาหมอมาดับเหตุของเราต้องถวายสังฆทานต้องทำบุญเงินมากๆเรามีความทุกข์ไม่มีทางเดยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านดัตรู้นี่พปรวงมีเหตุผลทีนี้เราเดี่ยวข้างล้างคูคูไปถวายสังฆทานไปอาบน้ำมนต์ไป ให้เขพ่นน้ํำมาก็ะเนมันย้ายได้ยังไงเราต้องดับที่เหตุมันดับที่เหตุพรามอาบน้ําในแม่น้ําคงคาอาบแล้วแม่น้ํำคงคาจักสิทธิ์จักสิทธิ์เป็นน้ําจักสิทธิ์ถ้าน้ํามันเหล่านั้นจักสิทธิ์ปูหอยปลาแล้วก็จักสิทธิ์หมดแล้ว ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายจักทิฏฐหมดแล้วเรื่องน้ำมนั่นจักทิที่ตรงไหนแต่น้ำมนตก่าน้ำพระพุทธมนต์น้ำพระพุทธมนต์ที่เราเอาพุทธมนนั่นแหละเอามาปฏิบัติมีอะไรบ้างพุทธมน์ก็นี่เรื่องโพธิจงเจ็ดเรื่องอะไรต่ออะไรนี่มนมนของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติท่างนั้น แต่เราก้าวไม่ถึงถ้าไม่ถึ ง, ถงอเอาแก่พรมๆ ม, มาไปก่อนนี่เรื่องหน้าขำคนไปขอน้ำ ม, มนต์ท่านอาจารย์พุทธทาสแถวนั้นตักก็ท่านในบอ่อปลานั่นเลยทักในบอ่อปลาต่าเลี้ยงปลากลางกลางกุฏินะนั่นเองนี่ท่านน้ำ ม, มนต์จากทิดกับปลาพวกนั้นโอ้ก้าวนิพพานกันหมดแล้วอย่นี้เห็นไหมนี่มันตรงเราตรง หาเหตุผลไอ้ได้เราเข้ามาปฏิบัติในตรงหาเหตุผลให้ได้เหตุมันอยู่ตรงไหนผลมันอยู่ตรงไหนแค่นี้ก็าเขาพูดกันง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอืนี่นก็คือเหตุผลนั่นแหละเหตุผลทางนั้นทำไมฝนไม่ตกสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยเนี่ยเราพูดสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยอร่อยพูดกันคุณละเรื่อง เรื่องเดียวกันนี่ยแหละไม่ใช่คนละเรื่องทำไมฝนไม่ตกมาจากเหตุเหตุคืออะไรอเราไปทำลายป่าไม้พอทำลายป่าไม้ความชื้นมันไม่มีอะไรไม่มีมันก็จะมืดมาเท่าไหร่ก็ลมพัดไปหมดความชื้นที่จะดึงดูดไอ้ละอองฝนหรือไอ้พวกเมฆนั่นไงเห็นไหมทุแเ้วแต่เหตุปัจใจ ทุกอย่างตุงลเลตเหตุปัจจัยถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีนี่แอ ต, ตุเลตเหตุผลนั่นศาสนาพุทธของเรานี่ศาสนาแห่งเหตุผลของธรรมชาติทำไมเป็นทุกข์ไม่มีเงินใช้ไปอีกคนทำไมเป็นทุกข์ มีเงินมากเกินไปนั่นเนี่ยเห็นหั้มมีเงินมากเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินก็เป็นทุกข์อ้อมันโง่ทั้งสองตกลงทุกข์เพราะกล้าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่เพราะกล้าไปยึดมั่นถือมั่นทังนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะกล้าไปยึดมั่นถือมัน่นพากล้าไปยึดมั่นถือมั่นทาให้เกิดความโลภแล้วก็ต้องแย่งกันอะไรกัน ทำให้เกิดความโกรธเดียดเบียนกันอะไรกันเพราะอำนาจอำนาจอะไรต่ออำนาจอะไรต่อพร้อมๆกันหนึ่งสองสามอำนาจเงียบอ่ะ <c oughs> อำนาจอาวิชชาเพราะอำนาจของอวิชชานั่นแหละเราอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาอาวิชชาเราก็เลยต้องเป็นทุกข์ พอเราอยากพออยากแล้วต้องเบียดเบียนกันอืเราอํานาจของความโง่เราอำนาจของอวิชชาเนะี่ยอวิชชามันแผลงฤทธิ์ออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลงลูกน้องถามตัวนั้นแหละเป็นลูกน้องของอวิชชาแต่ถ้าเป็นลูกน้องของปัญญาเป็นยังไงทีเนี้ยคือวิชาปัญญา ตัวเดียวกันถ้าเป็นลูกน้องของปัญญาเป็นคนที่รู้เหตุผลเหตุนี่มันมาจากไหนทำเหตุอย่างไรจึงได้ผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างไรผลจึงออกมาอย่างนี้อยากจะรวยรวยรวยรวยอย่างเดียวเรียนรัดเลย่ายาบ้านั่นะคิดไม่ดีแล้วเห็นไหมตัวคิดไม่ดีแล้วผล ผลทางใจมันก็ออกมาแล้วแต่ว่าทางรูปธรรมยังไม่ออกแต่ไปยิ่งกันเมื่อไหร่นั้นเนี่ยผลจะออกแล้วอืผลจะออกมาแล้วแต่ตาม ท, ที่จริงมันออกก่อนแล้วแต่ก็อ่านไม่ออกเพราะอํานาจของอวิชชาคือตัวความโลภมันก็กล้าไปครอบงําจิตของบุคคลผู้นั้นทําให้บุคคลผู้นั้น คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วตำรวจรู้ว่าโอ้ที่กนําน่ำนั่นเอายาบ้ามาทุกเอาไว้ไปร้อมวงกันกินยาบ้ามาแล้วตำรวจมาแล้วก็ยิงกันเลยทนั่นเนี่ยมันมาจากนี้ทางนั้นเนี่ยเราต้องรู้เหตุผลรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผล เหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลเป็นทุกข์เหตุดีผลดีได้เงินมามากก็ไม่ยึดมั่นถือมันร่ำรวยก็ไม่ยึดมั่นถือมันแต่ถ้ารวยแล้วไม่ใ่ออกมากกไว้คนเดียวแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทางที่เราช่วยได้ที่มันถูกต้องอเพ่าพอเงินมากไม่รู้จะทำยังไง ก็เอาเรียกว่าทำเงินนอกระบบอะไรที่เขาเรียกกันที่เอาไปก้าวธนาคารนั่นต้องการที่จะหนีภาษีเอาไปทำบุญมากๆทำบุญเลี่ยงเลี่ยงนั่นเนี่ยนี่ยมันทุกข์ทางนั้นมความทุกข์ทางนั้นถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางเราจะสะสมแต่ความทุกข์เรารู้จักปล่อยวาง ก็ทําให้อวิชจ้านั้นมันค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงอืคือมันมีสองตัวน่ะครับถ้าของท่านอาจารย์พุทธตาะมีสองตัวต่างธรรมะตั้งหมดที่ตั้งพูดออกมาไม่รู้เท่าไหร่เราอ่านกันไม่หมดกวางกันไม่หมดสองตัวก็คือยึดมั่นกับไม่ยึดมั่นถึงมั่นได้ยึดมั่นถึงมั่นทุก ้าไม่ยึดมั่นถือมันก็ไม่ทุกไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่เรื่องของชีวิตของเราเจ็บไา้ได้ป่วยเราดูแลรักษาแต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันว่ามันเป็นของกูว่ามันเป็นตัวกูแล้วเราก็ทาไปตามเรื่องตามราวของมันเราก็ไม่ทุกเราไม่ทุกแต่เรายึดมั่นถือมัน พอเริ่มไม่สบายขึ้นมายึดมั่นถือมันหลวงพ่อก็ไม่สบายนะเมื่อวานเนี่ยลงมาจะนอนกลางทางแล้วลงมาถึงก็เ น, นีให้ลูกที่ก็นวดนวดนวดนวด น, ด, น, ด, นดจันญาจัญญจันญจ้างมันเคยหลวงพ่อคิดว่าถ้าชีวิตนี้ยังอยู่ต่อก็ทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ต่อ ท้ามันตายก็พอแล้วเราก็ทำ ม, มาเยอะแล้วอืตัวของเราเองก็ไม่ใช่ของเรามันไม่จริงดังนั้นถ้าเรายึดมัน่นถึงมันเจ็บทองทางเจ็บทรองทางหนึ่งเจ็บปวดทางกายสเจ็บปวดทางใจอโยมจีที่ตีนเกรดตีนเกร็ดอะไรเนี่ยเเกร็ดก็เครสไปกูเอาน้ำมนันให้มึง มึงหายก็หายมึงไม่หายก็ตามใจเราก็รักษาตามที่เราจะรักษาได้แต่ว่ารักษาดั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือร่างกายภายในก็คือไม่ยึดมั่นถือมันอ่นอ๋อนี่ความเจ็บมันเป็นอย่างนี้ความป่วยมันเป็นอย่างนี้น่เนี่ยเราต้องรักษารักษาทางใจก่อนแดีวมารักษาทางกาย เราก็รัตราอยางนั้นเนี่ยเรื่องยึดมั่นถือมัน่นกับเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นของท่านอาจารย์พุทธทาสตานี้แหละทั้งหมดถ้ายึดมั่นถือมัน่นทุกจะไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ทุกเนี่ยตานี้ธรรมะแปดหมื่นสี่พันธรรมขันหรือว่ามากกว่านั้น รวมแล้วก็อยู่ที่ยึดมั่นถือมัน่นถ้าเรายึดมั่นถือมัน่นเส้นผมจากเส้นหนึ่งเราก็เป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเส้นผมทั้งหัวเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับมันมเห็นไหมการปฏิบัติที่โยโย่ก็มีการปฏิบัติที่พิสดานก็มีนี่ทังนั้นเราเลือกได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ เราเลือกได้ทีนี้บางคนก็มากเกินไปเราเอ า, เอ า, เอ า, เอาน้อยน้อยดิเราน้ยน้อ ย, อ ย, อยปฏิบัติน้อยๆอยแค่พอรู้แล้วเหมือนปฏิจจ ata ปมกบาทเนี่ยควายเกิดควายดับแค่เราก็อยู่กับควายดับอะไรเกิดมาเราก็ดับอะไรเกิดมาแล้วก็ดับจ อ, <ม>อไม่ยึดมันถือมันอย่างเดียววิจัยให้ออกมา เห็นไหมแค่นั้นการเรียนข้างนอกเนี่ยเราจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นศาสตราจารย์จะออกไปนอกโลกความทุกข์มันยังตามไปนอกโลกอีกตามไปอีกทีนี้แต่เราเรียนพุทธศาสนาเรียนธรรมะนี่แล้วเรียนให้มันพอดีพอดีกับเราเรียนนออกมาปฏิบัตินี่ เรียนแล้วต้องออกมาปฏิบัติด้วยก็แยกเป็นภาคปริยัติคือทฤษฎีอปริยัติที่สองก็ปฏิบัติปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลออกมาที่ว่าปฏิเวทสามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ที่ว่าปฏิเวทปริยัตปฏิบัติป ฏ, ตปฏิเวทสามขั้นตอน ทีนี้ต้องเราเพียงบวชสามเดือนบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงอ่าอยู่ที่อะไรทีเนี้ยอยู่ที่สัจจาอีกแล้วสัจจาอีกแล้วสัจจาที่นี้อริยสัจคืออะไรอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจาคือความจริงความจริงที่ประเสริฐนั่นแ่ะความจริงที่ประเสริฐ เรามาศึกษาความจริงศึกษาเรื่องความทุกเรื่องเหตุใเกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องหนทางให้ถึงความดับทุกนี่คือความจริงความจริง hmm. นั่นคือสัจจะที่ว่าอาริยะอริยสัจความจริงที่ประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะคือความจริง ความจริงที่ประเสริฐเนี่ยเรามาทำที่ตรงนี้เนะี่ยไม่ต้องไปโอมมาจากนอกโลกโอ้เราตรงที่ตรงนี้ที่กายที่จิตของเรานี่แหละไม่ใช่พอเรียนเนี่ยไปโอมมาจากนอกโลกกว่าจะเข้ามาในโลกทีนี้ไปไปมาโลกก็อยู่ที่เราเนี่ยไอ้ที่ร่างกายนีกลางนอกแต่จิตคือตัวความรู้สึก มันไม่ใจข้างเลยแต่พราะเรามองไม่เห็นมันเราว่ามันอยู่กลางหน่อยมันอยู่ทั้งกลางหน่อยกลางนอกนะเนี่ยตัวความรู้สึกตัวนั้นนเนี่ย ม, มีความรู้สึกกับอะไรแต่รู้สึกไป ห, หน่อยก็เป็นโลกไปหน่อยรู้สึกายนอกก็โลกายนอกเนี่ยโลกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยโลกจะกี่โลกกี่โลกกี่โลกแต่ถ้าเราเห็นเรารู้ แต้วมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ในจิตของเราเนี่ยแหละก็อยู่ที่ตัวความรู้สึกตัวนั้นนี่ถ้าเราดับความรู้สึกตัวนั้นนู่นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับว่างจากตัวตนมันก็จบทุกทุกโลกเลยมันก็จบไ ม, ไม่มีอะไรเหลือนี่ถ้าเรารู้จักโลกรู้จักกวานนี้มันอยู่ในเรานี่แหละ อยู่ที่ตัวความรู้สึกเราปล่อยความรู้สึกอย่าให้ก้าวไปยึดมั่นถือมัน่นเห็นเป็นธรรมชาติมันก็จบทีนี้โลกนี้มันก็จบตัวเรามันก็จบเพราะความรู้สึกนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีตัวไม่มีตนนี่ถ้าเราจะไปโลกไหนกันดีก โลกของพระอริยเจ้าอยากจะไปโลกของพระอริยเจ้าของพระอรหันตปฏิบัติแล้วก็เลิกความยึดมั่นถือมัน่นถึงแล้วโลกของพระอรหนตถึงแล้วพอเรามายึดติดพาเรามายึดมั่นถือมันแต่ถ้าเร า, ย, เรายึดมั่นถือมัน่นก็อยู่ในโลกไหนทีนี้โลกที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความโง่มีความเห็นแก่ตัว มีการอิจฉาลิษยากันแอะไรโลกแห่งความทุกข์โลกหนึ่งคือโลกแห่งความทุกข์โลกหนึ่งคือไม่มีทุกข์นั่นโลกที่ไม่มีทุกข์นั่นคือโลกของพระอริยเจ้าคือโลกของอพระอะไรพระติพระพุทธเจ้าพระอริยเมตรตรนั่นเนี่ยเนี่ยตรก็คือสามเนี่ยไตรก็คือสาม พระพุทธพระธรรมพระสงค์พระพุทธก็มือสุญญาตาอยู่พระธรรมคือตัวสุญญาตาเกิความว่างพระอริยสง์ก็มีความว่างไปๆมาๆสามก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งทีนี้เราจะไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาร์ณของพระศรีอาร์ณคือพระศริยาเมตรยในศาสนานั้น คนลงจากเรือนี้ก็ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้จักกันเลย <ing> in <language> ดูคนเหมือนกันหมดไมไม่เหมือนเนี่ยมันเป็นจากเดียว่าธาตุว่างาธาตุว่างาธาตุว่างหมดเป็นาธาตุว่างทั้งนั้นไม่มีคนรักไม่มีคนจังกันเห็นจากเดี ว, วา่าธาตุลงจากเรือนี่คนเหมือนกันหมด ในในเมืองหนึ่งๆก็มีเสื้อผ้ามีอาหารการกินยูย า, ารกักษาโรคในเครื่องเรือนอุปรกรณ์ต่างๆมีให้แต่ต้องทำจำกัดตานั้นตานั้นตานั้นตานั้นเราไปทำมา เราทำมาไปทำการทำงานมาได้เงินได้ท้องเราไม่รวมกันหมดนั่นเนี่ยทีนี้เขาเรียกว่าโลกข้อ ม, มูล ใ, ใครมันจะเอาหัวข้อ ม, มูลชู้โลกของกูไม่ได้โลกตัวกูของกูหาเดี๋ยวมากองไว้กองไว้ให้ตัวเองไห้ลูกไห้หลานนั่นไม่ใช่ข้อ ม, มูลนะอย่างนั้นทีนี้นายทุนกับไอ้พวก พวกอะไรก็เห็นแก่ตัว่พวกนายทุนกับพวกกรรมกร่ะมันก็เลยเข้ากันไม่ได้ไงเนี่ยโลกนี้มันก็เลยอยู่อย่างนี้เข้ากันไม่ได้อทีนี้คนจนก็มือสั้นนายทุนก็แขนยาวเห็นไหมมันมันมันมาตั้งโรตัดไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู้นแล้วเอาเงินไปไหนอ่ะ ช่วเหลือไหมประเทศไทยเรามันอบ ก, กลับบ้านมัน เ, นเรื่องอะไรอยอ่นี้นั่นแหละโรคนายทุนนะว่าก่อนมันก็มนล่ากันพวกนายทุนอะตอนที่เรายังไม่เกิดมันล่าเมืองขึ้นไม่ใช่ล่าหกคนล่าเอาทรับสมบัติมันล่าไปหมดอะนั่นแหละพวกนายทุนพวกนายทุนก็คือพวกโจรอะลรโจรอะไ ร, โ น, ะไรโน่น ประเทศอังกฤษก็ดีประเทศอะไรก็ดีเนี่ยล่าเมืองขึ้นในประเทศอินเดียน่ยเงาไปเท่าไหร่ทองเทิงอลมันลอกออกไปเป็นเดือนหกเดือนกว่าจะหมดงานในโลกนยทุนที น, นี้เราจะเอาอยัางไงามาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอริยมรรคมีองค์แปดก็ดีแล้ว ไม่ดีที่ว่าเราไม่ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติก็ดีแล้วเพราะพระองค์ชี้แนะหนทางไว้เราทุกคนเราศึกษาเราปฏิบัติแล้วก็ได้ผลเองโดยความไม่ยึดมั่นถือมัน่นี่เราไปทํางานทุกวันทุกวันอย่าไปคิดว่านี่ของกูของกูของ ก, องกูแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราของกูของกูของ ก, อง ก, องกูดังนั้นนี่ไม่ใช่ของกู เหมือนกับกองมูลเหมือนกันเลยไม่ใช่กองกู้นเราก็เลยทำสบายทาสบายทีนี้พอเราทำแล้วเราถึกออกไปไปเป็นกระลาว่ดตามเดิมพอคิดถึงโอ้สบายอ้าวสี่ปีห้าปีสองปีสามปีหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งเออนี่แหละต้นส น, นที่เรามาปลูกสบายแล้ว สบายใจแล้วเห็นไหมตั้งยี่สิบสามสิบสี่สิบปีก่อนนั่นเด็กนักเรียนมสี่มห้ามหกหนึ 5, ่งสองสามมาคนละกลุ่มมาขนอิดขนหินขนทรายขึ้นบนนี้เออนี่แหละวัดนี้แหละที่เรามาขนอิดเมื่อก่อนนี่สบายแล้วสบายใจแล้วนี่เห็นไหมทีนี้แต่กองกูแล่ะ สบายที่ไหนอของกูยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยของกู <c oughs> นั้นเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำทางถนนทำไว้คนคนก็จะได้ขึ้นมาก็สะดวกขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็สะดวกไม่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมแค่พวกนักกีฬาคนตูดูงาอายุมาวิ่งมาเดินออกกำลังกายพอแล้ว แค่นั้นพอแล้วเนี่ยหลวงพ่อเห็นก็นโอ้พอแล้วก็ให้ได้รับประโยชน์นั่นนพอแล้วอย่างนั้นเราก็สบายใจแล้วเห็นไหมดังนั้นเราจะทําอะไรเราต้องคิดถึงผู้อื่นคิดถึงผู้อื่นคิดถึงผู้อื่นสิบส่วนตัวเองแค่สามส่วนพอเจ็ดส่วนนั้นให้ผู้อื่นเนี่ยเราก็อยู่กันก็สบายดีก็สบายดี นี่ก็เรากลับไปแล้วพอคิดถึงโอ้ดีสบายก็ได้ทำประโยชน์เอาไว้นี่เคยมาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนเด็กนักเรียนที่เขาไปเรียนมีการมีงานทำมีครอบครัวไม่ได้มาคนเดียวแล้วตัวนี้มาทีละสามลูกเมียตัวเองเนี่ย นั้นเราต้องคิดถึงผู้อื่นนั้มากกว่าตัวเองหาตัวเองมากต่างคนเราคิดถึงตัวเองก่อโกยมาเพื่อตัวเองนั่นเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวในศาสนาธรรมะนี่มีไว้สาหรับที่จะกัดเกลาความเห็นแก่ตัวตั้งแต่ตั้งนะโมมาหนึ่งน้ำโมที่เราสวดทุกวันทุกวันะแต่พอ รับสีนเนี่ยปาณาธิบาทตินนาทานกาเมรุมิจฉาจาไม่ใช่เพื่อกูสวยไม่ใช่เพื่อกูรวยเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยทุกข้อศีนทุกข้อเพื่อผู้อื่นทางนั้นเลยเนี่ยเราก็ว่าแต่ปากใจไม่ได้ว่าไม่ได้คิดถึงผู้อื่นเขาขอรับสินขอกูสวยขอกูรวย เราไอ้สังฆทานนี่อะไรอย่างเนี้นี่เราจะโทษโยมก็ไม่ได้พระนี่แหละตัวจักสำคัญไม่สอนถ้าไม่สอนแล้วโยมก็จะรู้ยังไงเขาก็ไม่รู้ที่ต้องสอนต้องบอกเขาต้องเล่าเขาอางนี้เราทําอยู่อย่างนี้วัดอื่นเขาทาไม่ก็จักหัวะเขา ก็ถ้าไม่ทําเรื่องของเขาแต่ว่าเราทําอย่างนี้ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราต้องเอาหัวใจของพระพุทธเจ้าให้ได้นี่ที่โน้นก็ทําตะกรุดที่โน้นก็ทําป้ายันที่โน้นก็ทําของครั้งก็ทําไม่ได้เราไม่เอาของเราครั้งเหมือนกันถ้าเอาธรรมะไปปฏิบัติระดับทุกได้ครั้งยิ่งกว่าครั้งได้ถ้าอย่างนี้ ดันั้นโยมออกไปจะต้องฉลาดไม่ใช่ไปเที่ยวแขวนตะกรุดดูอีกเนี่ยเยอะนะเรื่องมันมากมายเรื่องมากมายดูวยกินในศาสนาของเรานี่เราไม่ได้ข้าวมาเพื่อทำธุรกิจเข้ามาเพื่อกูดกล่าวตัวเองแต่ช่วยเหลือกูดกลาวคนอื่นเนี่ยมันก็มีเท่านี้ ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้กูดเกล้าธรรมะนี่กูดเกล้าทีนี้ใครมันชอบอะขูดเกล้าขูดี่มันเจ็บี่มันเจ็บปวดใครปวดอะกิเลสนานี่ยแหละมันปวดมันปวดนี่มันอยู่ที่ตรงนั้นอาวันนี้ก็จบตอนนี้ปรุงนี้ทารายงานไม่หลวงพ่อทารายงาน อริยสัจสีในปฏิสัตยมุพบาท ต, ตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลตัวไหนเป็นทุกขตัวไหนเป็นสมุทัยตัวไหนเป็นนิโรธตัวไหนเป็นอริยมรึกก็ส อ, องตัวแกนั้นเองเหตุผลเหตุผลเหตุผลเซ็นชื่อไม่เรียบร้อยอย่าเซ็นวัดวัดหลวงพ่ออ่านไม่ออกไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษ ของพอรู้แต่ A B C D เอาจบวันนี้